วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสิงหา2553วันนี้หลวงพอ่อฉันจังหารเสร็จก็คงจะออกไปไประชมุมแต่ก็ไม่รีบมากแต่ก็คงออกไปธุระรำธุระนิดหน่อยก่อนที่จะไปถึงอุดรแล้วก็คงจะไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรที่เดนัดประชมุม หารือเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์กับก้หพะบดีพี่น้องชาวอุดรได้ประสานไปพอสมควรแต่วันนี้ผลจะออกมาอย่างไงผลที่การประสานพี่น้องชาวอุดรให้ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อย่างไรคงจะได้รู้ได้เห็นกันจะได้รู้ว่าพี่น้องให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหน แต่หลวงพ่อเน่ยเป็นเพียงแต่เป็นผู้นําและเป็นผู้ประสานอ่าเป็นสะพานบุญนะพูดง่ายๆเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ตามไม่จริงเครื่องมือเครื่องไม้ตัวนี้ที่หมอเสนอขึ้นมานี่ยพวกคณะแพทย์บางกลุ่มเสนอขึ้นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นเครื่องมือที่พาตัดเปลี่ยนเส้นเลือด ในหัวใจแล้วก็คงจะเกี่ยวกับลิ้นหัวใจด้วยเพราะว่าหมอหัวใจย้ายมาจากจุลามาประจำที่อุดรแต่ไม่มีเครื่องมืออันนี้ก็คือจุดฉนวนแรกจากนั้นก่อนอันที่สองก็เมื่อพาหัวใจแล้วมันก็จะตรงโยงใยไปถึงปอดเพราะมันอยู่ในรนาบเดียวกันหัวใจตับปอดมันอยู่เบื้องบน อันนี้ก็อยากจะได้เกี่ยวกับหัวใจโยงใยมาถึงปอดด้วยตัวนี้ก็ประมาณสามล้านนะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ต่อองนะเพียงแต่ว่าพูดทางบริษัทเขาพูดมาอย่างนั้นแต่เครื่องผ่าตัดหัวใจเนี่ยล้านห้าเกี่ยวกับตัวนี้อีกสามล้านก็คิดว่าวันนี้ถ้าจะพงไปพูดกั็คงจะพูดในกลุ่มเงินสี่ล้านห้าสี่ล้านห้าแสน ก็คงจะไปอันนี้ยังยังไม่ได้ต่อรองอันนี้เขาจะสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือให้ดูก่อนแล้วคณะกรรมการหรือคณะศจัดธา ญ, ญาติโยมทักคณะแพทย์พยาบาลเห็นพร่องต้องกันไหมที่เอาเครื่องมือตัวนี้มาไว้ประจำโรงพยาบาลสูงอุดรหรือมีผู้ที่จะซื้อถวายแล้วมีไหมถ้ามันมีอยู่อย่างที่มีบางคนเสนอขึ้นมาว่า ปัจจัยของโลงตาเนี่ยก็มีจะซื้อเครื่องมือกลุ่มนี้อยู่แล้วถ้าเราซื้อเข้าไปจะไม่ซ้ำซ้อนกันเหรออันนี้ก็จะต้องไปปรึกษากันอีกในแนวทางหนึ่งเหมือนกันคือการทำอะไรเราไม่ได้ทำเพื่อใดหน้าใดตาไดยศใดอย่างหักล้างกันไม่ใช่เราทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่เงินเงินของโลงตาก็จะได้มาแล้วแน่มั่นใจไหม มั่นใจไหมที่จะซื้อเครื่องมือตัวนี้ได้ไม่ใช่พูดไปป ล, มปลามไปเฉยเฉยผลที่สุดผลออกมาก็ไม่มีใครกล้าขอท่านอย่างนี้เือว่าปัจจัยของท่านอาจจะไปไปใช้ส่วนอื่นอย่างนี้จุนนี้ก็เลยแล้วหมอล่ะที่มาที่จะรักษาคนไข้ยอยู่ในขณะนี้แลวจะทำยังไงวันไหนจึงจะได้มากี่วันจึงจะได้มา ถ้าว่าปีหน้าปีต่อไปขณะที่หมออยู่นี่หมอจะทํางานอะไรพอหมอมาไม่มีเครื่องมือทําสิ่งเหล่านี้เราก็จะต้องได้ไปชุมหารือกันปรึกษาปรัรบกันเป็นแนวทางเป็นไปได้แต่ตามไม่จริงเครื่องมือตัวนี้หลวงพ่อเองก็ได้ถามคณะแพทย์คณะหมอหมอที่เป็นทุกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเขาบอกว่าเครื่องมือตัวนี้ถ้าจะ ถ้าจะพูดไปแล้วเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้เกี่ยวกับคนคนรวยนะหลวงพ่อนะเอาทำไมพูดอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องมือตัวเนี้เป็นเครื่องมือผ่าตัดหัวใจโดยมากผู้ที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยพวกอาเซียพวกทำงานราชการไม่ได้ออกกำลังกายนั่งอยู่เก้าอี้นี่จะกินกันนอนแล้วก็มาพักผ่อนจะออกกำลังกายแต่ละวันก็ทั้งยากผลที่สุดนะ โรคหัวใจมาเยือนเอส้นเลือดอุดตันบั้งไขมันในเม็ดเลือดบั้งสรุปแล้วก็คือไม่ได้ออกกําลังกายแต่ชาวไร่ชาวนาทำรัำ้วทําสวนกรปมกรของเขาทํางานงานแต่ละวันเงื้อแตกเงืออ้อไหลเผาผลาญไขมันอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจมีน้อยมากที่จะเป็นโรคหัวใจแต่ผู้ที่เป็นโรคหัวใจก็รวยมาก ผู้มีอันตะกินพวกอาเซียต่างๆนี่แหละถ้าจะว่าไปถ้าซื้อมาแล้วก็ได้ใช้กับพวกนี่แหละพวกอาเซียนี่แหละเครื่องมือตัวนี้วะเออหลวงพ่อก็เดีถึงจะไม่เชื่อเป็นข้อมูลไว้ก่อนมางั้นเอะมีแนวโน้มมางั้น่ะฮะหลวงพ่อว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นลักษณะอย่างนั้นไอ้พวกนั้นเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเราก็จะปฏิเสธไม่ได้ว่ะคนยากคนจนจะไม่เกิดมันก็พร้อมที่จะเกิดได้ทุกคน พรโครคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้บอกว่ากลุ่มนั้นบุคคล น, นี้มันไม่ได้ว่าถ้ามันจะเกิดก็เกิดได้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดได้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะใช้เครื่องมือเที่ตัวนี้ได้อย่างที่หลวงพ่อไปีซื้อเครื่องมือโอลิมปัสเมื่อสองปีที่ผ่านมาก็มอบให้โรงพยาบาลแต่ทุกวันนี้เขากดใช้อย่างคล่องแคล่วแล้วตัวนั้นก็ ราคาส6มล้านหแต่คณะกรรมการได้ต่อรองล ง, ลงมาก็ได้สามล้านแต่ลงพ่อว่าถ้าจะเอาสองเครื่องเท่าไหร่เขาก็ต่อลงมาอีกได้สองล้านเก้าพอเอาจริงๆก็เงินไม่พอวันนั้นก็เลยต่อรองกับผู้ที่มาขายคือเชลเขาก็ลดลงให้อีกห้า0มนมาไปจำไว้ที่โรงพยาบาลสูอุรอ สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเครื่องสองกล้องหามาเรงในระยะแรกโอลิมปัสสองทังปกเพื่อหามาเรงในลำไส้อันนี้เมื่อเราหาให้แล้วเราก็ไม่ได้ทวงบุญทวงคุณได้กำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่หมอทำไปแล้วกี่คนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่หลวงพ่อไม่เคยถามเพราะอะไรเพราะทำบุญไปแล้วจบ หลวงพ่อยกให้แล้วมีแต่อเอือ้อบุญกุศลที่ได้ทําไปแล้วนั่นก็ขอให้เกื้อกูลหนุนอดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายญาติมิสหายเนะี่ให้ได้บุญให้ได้กุศลที่ได้ทําไปแล้วเพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนมนุษย์ชาตเิเท่านั้นแหละแต่ เ, เมื่อกี้เนี่ยก็ได้ยินท่านพระผู้ใหญ่พระอาจารย์อยู่ในถิ่นเราเนี่ยท่านกนว่าท่านอาจารย์ผมมาสองกล้อง ในโรงพยาบาลาหาเขาบอกว่าผมปวดท้องมากเลยมาเขาเลยส่งกล้องสอง่งเขาไปไปเอากิฟไปขยิบไปกิฟเอาเนื้อในกระเพาะที่มันเป็นแผลนะั้นเอาขึ้นมาเพราะเชื้อเขาก็บอกว่าไม่เป็นมะเร็งเขาก็เลยเอายาถวายให้ฉันแล้วก็หายละหลวงพ่อหลวงพ่ออืเครื่องมือตัวนั้นนะไม่มีหร อ, อกตะอง มันมีเครื่องมือตัวผมไปซื้อนี่แหละกลุ่มกับกลุ่มคณะนี่ะที่ลงขันกันซื้อเนี่ยเครื่องมือตัวเนี่ยแต่กอนไม่มีหรอกมีเครื่องมือตัวเดียวเท่านั้นแหละที่หามาเลงในลำไส้ในกระเพาะคงจะเป็นตัวนี้ก็มั่งนี่แหละสรุปแล้วก็คือเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อใครๆทั้งหมดนที่เข้าไปรักษาแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้เขาใช้อะไรเขาก็มีวิธีการใช้ กลืนแป้งบ้างอ่าแล้วก็มีเครื่องส่องเข้าไปบ้างอุนทาศาวบ้างดัชนีมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกับกล้องตัวนี้พอทำเข้าไปก็นั่นแหละอ่าพอรักษาเข้าไปผลที่สุดก็ต้องผ่าแต่ตัวมีมีเครื่องมือตัวนี้กับมันก็ช่วยได้ช่วยพี่น้องประชาชนได้แต่ทาว่าคนที่มั่งมีละ่ะเราทำยังไงคนที่มั่งมีเขาก็ลงกรุงเทพ ไปโรงพยาบาลในกรุงเทพเอกชนเราก็ต้องพ่อก็ถามอีกไปสองกล้องแต่ละครั้งเนี่ยเท่าไหร่หกหมืนครับค่าส่องกล้องหกหมื่นแต่นี่ถ้าเราซื้อให้อุดอรนั่เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ยากจนสองกล้องฟรีนะสามสิบาทแปลว่าสองได้แล้วนี่แหละมันเกิดประโยชน์อย่างนั้นที่หลวงพ่อว่าพอที่จะเป็นไปได้เราก็เอือช่วยช่วยช่ว ย, ช, วยช่วยกันไป แตถ้าว่าตัวไหนหนักหนาจริงๆเราแบกไม่ได้เราช่วยไม่ได้เพราะกำลังเรายังไม่พอเราก็เอาไว้ก่อนงดไว้ก่อนแต่เมื่อไรกำลังเราพอมันเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราก็ให้แต่ว่าการให้ก็ดีไม่ใช่ว่าเขาอยากได้แล้วเขาให้ไปไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องไปดูเสก่อนว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่คุณอยากจะได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาได้แล้วก็ได้มาพอได้มาแล้วก็มา โรงพยาบาลอำเภอที่ไหนๆเอาผ้าคุมไว้เอาผ้าพลาสติกคุมไว้ในทำไมเพราะไม่มีหมอทำไม่มีหมอไม่มีหมอใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างนั้นก็มีอันนั้นแปลว่าเอามาให้เพื่อประดับประดับโรงพยาบาลและก็ประดับที่ว่ามีเครื่องมือเท่านั้นเองมันไม่ได้ใช้ถ้าทำลักษณะอย่างนั้นเสียดายเครื่องมือถ้านำเอามาใช้ละ ต้องการไม่ต้องการผมต้องการใช้เดี๋ยวนี้มีความจำเป็นผมใช้ได้ถึงผมไม่ใช่กันนะกลุ่มหมอมีในโรงพยาบาลนี่อันนั้นแปลว่าให้ถูกจบถูกความมุ่งหมาย เ, เราที่ให้ไปแล้วก็สบายใจเพราะเขาใช้จริงๆไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วเขาไปเก็บไปทิ้งไม่เฉยๆอันนั้นก็น่าเสียดายเครื่องมือนะที่หลวงพ่อเคยเห็นที่เครื่องมือตวงปู่ล่าท่าน ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีบุญวาทนาบารมีหมอทั้งหลายทางกรุงเทพก็ไปซื้อเครื่องมือทําฟันถวายหลวงปู่เพราะไม่อยากจะให้หลวงปู่ไปโรงพยาบาลพอะหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธทีแล้วท่านไม่ไปโรงพยาบาลเจ็บปูดยังไงท่านก็อยู่ในวัดของท่านรักษาเท่าที่ยามีเพราะนั่นคณะศิษย์ทางกรุงเทพก็เลยซื้อเครื่องมือแพทย์มาให้ มาให้ท่านมาถวายท่านเหมืนกันตั้งห้าหกแสนน่ะของเยอรมันนะเครื่องมือทำฟันยุคสมัยนั้นเหมืนเมื่อสิบกว่าปีให้หลังต้องปู่ก็ได้ใช้เครื่องตอนนั้นแหละนานๆพอเจ็บปวดฟันขึ้นมาแล้วก็สั่งโทรศัพท์ไปบอกหมอหมอกับปีขึ้นมาพอเป็นลูกศิษย์ลูกหลานของท่านอยู่แล้วท่านก็รักษาพระเนนเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่หมอขึ้นมา พรองค์ไหนมีเกี่ยวกับฟันก็ใช้ใช้เครื่องมือตัว น, นั้นละ่ะไม่ใช่แต่เฉพาะหลวงปู่องค์เดียวนะพอหลวงปู่มรณภาพเนี่ยกลงไปเครื่องมือตัว น, นั้นก็ไม่รู้จะใช้ยังไงเพราะว่าหมอก็ไม่ขึ้นมาเพราะที่ได้เครื่องมือขึ้นมาก็เพราะบุญบา ร, รมีของหลวงปู่ในเมื่อลุงปู่ล่วงลับไปแล้วหมอก็ไม่ขึ้นมาใครก็ไม่กล้าสั่งหมอขึ้นมาหมอก็ไม่รู้จะ หมอแถวนั้นก็ไม่แถบแถบนั้นก็ไม่มีอีกที่จะมาใช้เครื่องมือตัวนี้อีกหมอมันหายากนะในในชนบทเพราะในชุดเอาผ้าคุมเอาไว้เพราะในชุดพระบางองค์ก็ไม่รู้เห็นไอ้เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันแหลมแหลมเล็กๆที่มาเกียรฟันออกมากันแล้วมาจิมนั่นจิมนี้แต่แต้มแต้มจริงตัวหนึ่งเป็นหลายหมื่นบาทตัวนั้น่ะอตัวละพันหลายพันบาทบางเผอเป็นตัวละหมื่นบาทพระก็ไม่รู้เพราะท่านไม่เคย ทำฟันเนี่ยมันจะจับมากัดงันแงะนี่ไปเอตามเรื่องหมอฟันมาเห็นหมอฟันร้องโอ้เอเอเพราะเห็ุ อ, อะไเพราะเอาเครื่องมือแพทย์เนี่ยเอาเครื่องมือหมอเนี่ยตัวลเล็กๆเนี่ยที่รักคายแพงๆเนะ่ะเอาไปใช้อย่างอื่ น, นผลี่สุดเอายังไงหลวงพอ่อน่าจะมอบให้โรงพยาบาลถิ่น น, นี้ซะ ไม่น่าจะเก็บไว้เก็บไว้ก็เสียหลวงพ่อไปงานวันนั้น่ะงานวันมรณะภาพหมอก็มาจากกรุงเทพไปเอาหลวงพ่อให้มนหลวงพ่อก็จะไปทดลองเหมือนกันเหมือนเลยขึ้นไปให้หมอทําพอทําที่ไหนได้สายยางที่เขาเก็บไว้น่ะมันนานนะเออ <c oughs> มันหลุดปดหลุดปัดไปเรื่อยปนที่สุกเลยใช้ไม่ได้วันนั้นเออก็เลยอเครื่องมือแพทย์เนี่ยเก็บไว้นานๆเนี่ย มันเป็นลักษณะนี้เองไงหลวงพ่อว่าเนี่ยคล้ายๆก็บบอกไม่เห็นคุณค่าคู่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นคุณค่าว่าจะใช้เครื่องมือตัวนี้อย่างไรแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เอามาเอาผ้ามาคุมไว้เฉยๆผ้าพลาสติกมาคุมไว้ราคาทั้งที่มันหลายแสนบาทมันน่าจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในโรงพยาบาลที่เขาใช้เป็นประจําเนี่แสิ่งเหล่านี้เราหลวงพ่อไปเห็นที่ไหนหลวงพ่อคิดนะ ไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะไปเห็นที่ไหนหลวงพ่อก็ น, นำมาคิดมาทบทวนพิจารณาไตร่ตรองเหตุและผลว่าควรจะให้อย่างไรมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วคนกลุ่มไหนที่ใช้เครื่องมือที่จะเกิดประโยชน์นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อดูนะผลที่สุดท่านก็หลายปีกว่าจะมอบให้โรงพยาบาลอำเภอน้องสูงทางเขามอบไปแล้วล่ะแต่เขาคงจะเอามา แก้ไขปรับปรุงอีกเพราะว่ามันมันใช้นานสายยางมันแข็งมันหลดุดพราะอะไรเพราะมันยางว่านพลาสติกอากาศร้อนๆน่ะไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์พวกเนี้ยนั่นนามาใช้ก็อยู่ในห้องแอร์เย็นแต่นี่มันอยู่ปล่อยทิ้งปล่อยปล่อยละเลยทิ้งไว้ธรรมดาตัวที่พลาสติกมันอ่อนมันก็แข็งมันก็มันกล้านพลในที่ก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่ ปรับปูงใหม่แก้ไขใหม่นี่แหละอันนี้ก็คือเครื่องมือไม่ได้ใช้ถ้าว่าเรานามาใช้ประ่เกิดประโยชน์ประโยชน์จริงๆเพราะนั้นหลวงพ่อคิดว่าการที่จะซื้อเครื่องมือให้แก่แพทย์หรือพยาบาลหรือโรงพยาบาลต้องคิดดูให้ดีซะก่อนมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าพูดป่าปิวมาเกอเอาเงินให้เลยไม่ใช่อย่างนั้น เครื่องอุลิมปัตตนี่ลงพ่อก็เลยซื้อให้สองเครื่องเครื่องอุดอรในเครื่องหนึ่งแต่ขอนแก่นโรงพยาบาลศูนย์นะไม่ใช่โรงพยาบาลศีนครินทร์ศีนครินทร์โรงพยาบาลศรีนครินทร์เป็นโรงพยาบาลแพทย์นักเรียนแพทย์เขาจะต้องหาเครื่องมือให้ดีที่สุดให้มาใช้ในโรงเรียนแพทย์เพราะว่าเมื่อแพทย์จบไปแล้วเขาจะได้ใช้เครื่องมือ ในจั ก, กรวาลในโลกเนี่ยเขาใช้เครื่องมือตัวไหนเเมืองไทยก็จะให้ทันสมัยกับการใช้เครื่องมือตัวนั้นเหมือนกันเพราะนั้นไม่ต้องห่วงโรงพยาบาลศรีนครินโดยมากจะมีเครื่องมือดีๆมาใช้เพราะรัฐบาลเขาจะต้องให้อย่างนั้นแต่เอกชนของพวกเราเนี่ยโรงพยาบาลศูนย์อุดรศูนย์ขอนแก่นเออเพื่อรักษาพี่น้องประชาชนเนี่ยจุดนี้นะจุดที่น่าคิดนะเออ จุดที่คนยากจนเนี่ยทางรัฐบาลเขาก็ไม่ค่อยจะให้เพราะเขามันเครื่องมือถึงมันแพงจะให้ยุมหยิมจุกจิกไปหมดทั่วประเทศมันก็มันไม่ไหวเหมือนกันไงเพราะฉะนั้นเราที่หลวงพ่อไปเห็นแนละ้วกับพวกคณะหมอนะ่ะหมอเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาอยากจะทําอยู่แต่มันทําไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือจะทำยังไงเขามี มีดเล่มนึงมีดโตเล่มหนึ่งเขาก็ใช้มีดโตเนี่ยมีดบางต่อเล่มหนึ่งเขาก็ใช้บางตอเล่มหนึ่งนั่นแหละสุดความสามารถของบางต่อเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่มีเครื่องไม้เครื่องมือดีกว่านั้นเขาก็าจะทําให้ดีกว่านั้นได้เทนี้เราจะทํำยังไงเราก็ควรจะหาเครื่องมือถ้าเราเห็นคุณค่าได้ว่าพอที่จะเป็นไปได้เราก็ควรจะหาเครื่องมือมาให้เสริมเขี้ยวเสื่มเล็บอให้แก่หมอ เพื่อจะได้จัดการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาได้เราไม่ได้คิดอย่างอื่นคิดเพียงแค่นี้เท่านั้นเองคิดเพียงแค่ว่าเราจะทํำยังไงจะหาเครื่องมือแพทย์ให้รักษาพี่น้องประชาชนให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้เพื่อจะได้ประกอบสัมมาชีพต่อไปไม่แค่รักษาแล้วรักษาคนไข้ทีแล้วให้กลับไปทํามิจฉาชีพไม่ใช่นะ หลวงพ่อไม่ได้คิดอย่างนั้นหลวงพ่อคิดว่าเมื่อรักษาเขาหายแล้วเขาจะได้ไปไปประกอบสั ม, มาชีพเลีเ้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบเลี้ยงครัว เ, เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป อ, อ, อย่างหลวงพ่อจังจไม่ลืมหลวงพ่อไปมอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมเครื่องทําตานะ เ, เครื่องทําตาตรวจตาดูแลตา เลนตานะเครื่องนั้นตามปกติเขาจะซื้อประมาณสองล้านห้าแต่หลวงพ่อไปติดต่อแบบแบบขอต่อรองลงมาเรื่อยๆมนะันกได้ล้านเจ็ดกว่านะจากนั้นหลวงพ่อก็ไปมอบให้แกรโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมพนมยังได้ใช้อยู่กระทั่งทุกวันนี้นะหลวงพ่อมอบหลวงพ่อว่นนี้นะเครื่องมือตานี่นะหลวงพ่อเห็นความสาคัญตาเป็นอย่างยิ่ง ถ้าคนเราถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนล่ำรวยขนาดไหนถ้าตาบอดซะอย่างเดียวบุบบคบุลิกหมดเลยเสียหมดทุกอย่างเพราะตาบอดจะเข้าห้องน้ำก็ได้จูงจะไปที่ไหนก็ได้จูงไปหมด บ, บุกบุคลิกหมดแต่ถ้าว่าตายังดีอยู่ตายังใช้งานได้อยู่ถึงยังไงยังไงก็ยังเป็นบุคคลไม่ทุกผลภาพเท่าไหร่ถึงจมหูหนวกตายังดีก็ยังช่วยตนเองได้ เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้มอบเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมแต่เมื่อมอบไปแล้วรักษาพยาบาลคนไข้แต่ว่าคนไข้หายจากโรคตาดีแล้วดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็ทํามาหาเลี้ยงชีพหลวงพ่อก็พอใจเพราะเหตุใดเพราะเป็นจมาชีพแต่ถ้าว่า หายไปแล้วตาดีขึ้นมาแล้วแต่ก่อนตาบอดตาไม่ดีไปไหนก็ไม่ได้พอตาดีขึ้นมาแล้วเ อ, อไปขโมยคนนั้นไปป้นคนนี้ไปทําความชั่วเสียหายอันนั้นหลวงพ่อไม่รับกรรมด้วยห <c oughs> ลวงพ่อรับแต่บุญบุญเท่านั้นแหละสิ่งไหนที่เขาทํากรรมความดีหลวงพ่อจะรับส่วนนั้นสิ่งที่มันชั่วหลวงพ่อไม่รับโอ้ยแต่ก่อนตามันไม่ดีมันก็ไม่ได้ทําความชั่วแต่มันตาดีขึ้นมาแล้วมันทำความชั่ว เป็นเพราะเครื่องมือหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อไม่รับนะจุดนั้นวะหลวงพ่อไม่รับหลวงพ่อจะรับแต่เครื่องมือที่ทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้เกิดประโยชน์พอตาดีขึ้นมาแล้วก็ทําคุณประโยชน์ดูแลพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ทาบุญทําทานไปไหว้พระสวดมนต์ไปรักษาศีลภาวนาพัดวาศาสนาหลวงพ่อเอาบุญกับคนคนนั้นแหละแต่ถ้าว่ากรรมชั่ว ที่เขาไปทำไปแล้วหลวงพ่อไม่เอาด้วยนะ่บุญจุดนั้นบาปจุดนั้นหลวงพ่อไม่รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อเจตนาดีเจตนาดีอยากจะให้คนเมืองในประเทศชาติมีความร่มเย็ยนเป็นสุขจึงในหาเครื่องมือมาให้แกโรงพยาบาลนี่แหละอันนี้ก็คือการช่วยเหลือชุมชนและสังคมหลวงพ่อไม่ได้มองข้ามจากนั้นก็สร้างโรงรั้าโรงเรียนโรงเรียนนี่ก็ ถ้าว่าคนในชาติโง่เง่าเต่าตุนไม่ได้รับการศึกษาที่ดีโรงเรียนที่ไหนก็ผุพังไปหมดครูบาอาจารย์ก็หมดกําลังใจแจกสอนที่ไหนก็มีแต่อาคารรั่วไหลไปหมดพอมันรั่วหลังคามันรั่วหาผู้ที่จะดูแลไม่ได้เลยหลวงพ่อคิดว่าเราพอที่จะช่วยเหลือชุมชนจุดนี้ได้อยู่เราก็ควรจะสร้างโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเขา เมื่อครูบาอาจารย์ได้โรงเรียนดีแล้วจะได้สอนนักเรียนนักเรียนก็จะได้เป็นผลละเมืองผลละเมืองดีของประเทศชาติอพอเป็นเด็กขึ้นมาแล้วก็เป็นคนดีประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ดีก็ต้องผลลเมืองของประเทศต้องได้รับการศึกษาถ้าผลลเมืองไม่ได้รับการศึกษาแล้วจะพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาไปได้อย่างไรหลวงพ่อก็มามองรูจุดนี้หลวงพ่อก็มาเพราะ พิจารณาอีกว่าถึงจะพัฒนาประเทศชาติร่ำรวย mm hmm. เป็นประเทศชาติชาติที่มั่งคั่งขนาดไหนก็เถอะถ้าว่าการแพทย์การหมอเนี่ยยังล้าหลังเขาอยู่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอไม่มีเครื่องมือแล้วจะเป็นที่อุ่นใจพวกเราไหมนี่หลวงพ่อก็มาคิดจุดนี้สรุปแล้วก็คือทั้งการศึกษาด้วยทั้งการแพทย์ด้วยหลวลงพ่อมองช่วยเหลือชุมชนและสังคมเนี่ย วันนั้นขอให้คณะจัตตาญายาดโยมลูกหลานที่ได้ฟังหลวงพอมีจุดประสองค์อะไรไม่ได้มุ่งหวังเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อยศเพื่ออย่างเพื่ออยากจะให้คนทั้งหลายรู้จักหลวงพ่ออินไม่ใช่นะเพียงแค่นี้ก็หลวงพ่อก็พอแล้วแหละสมฐานะของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อพอแล้วเป็นพระขนาดนี้พอแล้วอยู่ในป่าหลวงพงศ์ไพอแล้วแต่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมนั้นเออหลวงพ่อพอมีกําลังจุดไหน ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยหลวงพ่อก็ยินดีนะแต่ถ้ามันหนักหนาเกินไปหลวงพ่อก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะชีวิตของหลวงพ่อกับแบบหลวงพวกเราทั้งทั้งลายเห็นนะบิณฑบาตมาฉันเป็นวันวันเลี้ยงชีพเปน็นวันวันบิณฑบาตด้วยปีแข้งบินบิณฑบาตมาฉันถ้าจะว่าไปก็คือขอขอทานก็ว่าอะไอันนี้ประท่านว่าไม่ใช่ขอเนี่ยบิณฑบาตบิณฑบาตใกล้ๆก็เดินพี่น้องลูกหลานใจบาตรให้ฉันทะานเอง เราจะไปคิดใหญ่ทั้งแผลทั้งขออะไรอะไรออกไปทำให้เดือดร้อนวุ่นวายเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ที่มีอันจะกินที่หลวงพอ่อเออเอาช่วยๆกันเนอร์เราเป็นแกนแกนกลางเราเป็นผู้ประสานถ้าไม่มีผู้ประสานมันก็เหมือนกับก้อนหินอยู่คนละก้อนอย่างนั้นอ่ะเม็ดอยู่ชายอยู่คนละเม็ดอย่างนั้น่ะมันอยู่มันก็เป็นคนละเม็ดรคนละก้อน แต่ถ้ามีปูนซีเมนเข้ามาครกเข้าไปละเนี่ยทั้งหินด้วยทั้งทรายด้วยปูนซีเมนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันก็แข็งปกเนะีจะทําอะไรก็ได้เลยเพราะเหตุไรเพราะว่ า, เ, าเราเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะ เ, เราต้องพิจารณาช่วยกันเราจะช่วยเหลือกันอย่างไรในเพื่อนมนุษยชาตินี่หลวงพ่อคิดตัวหลวงพ่อเป็นปูนซีเมนมันงั้นนะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวพี่น้องลูกหลานทุกหมู่ทุกเหล่าให้มาร่วมกันรวมกัน เพื่อหาเครื่องมือและก็ช่วยเหลือชุมชนสังคมให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขชาติของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ก็คนในชาติมีความพร้อมเพียงสมรคีเป็นหลักนะวันนี้หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งต่อนนี้อไปอรับพร